รักษาศีลดีแล้วทำกรรมฐานดีแล้วเทพีศสนาดีแล้วขยันโกธรเกียดอยู่มีทุกข์อยู่กับไก่จากความจริงที่สุดแต่ควรจริงธรรมะที่หลวงพ่อนำมาเทศนําำมากล่าวนามาตักเตือนกันนั้นจะคาดคิดออกไม่ได้หรือโดนเดาเอาไม่ได้เพราะว่ามีในหนังสือกลธรมสูตรบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าเชื่อถือ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 พิษตาจนี่ก็รู้สึกมือนึ่งก็รู้สึกตาเหลียวเลือดท้ายแลหัวก็รู้สึกกินน้าลายไปในลำคอกับรู้สึกนี่แบบนี้หายใจเข้าหายใจออกรู้มันนึกมันคิดรู้ทั้งนั้นก็เลยเกิดสัญญาอันนี้รู้ขึ้นมาสัญญาได้จดที่มันรู้น่ะสัญญารู้อันนั้นไม่ใช่เราไปรู้จํามาจากตำหนักตัวสัญญามันรู้มันเองตั่ว่ามันไม่หลงมันไม่ลืมมันจึง